ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่าศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกลือกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สา ว, วกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแกพวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาท พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราคุ้มทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่สิบสองว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบ 1>, 1. ผู้รู้เท่าทันลาบสักระ 2. ผู้รู้จักอันตรายของทิฏฐธรรมสุข 3. ผู้ควรปลีกตัวออกจากหมู่ได้ 4. ผู้ที่น่าเคารพ 5. ผู้ที่น่ารัก 6. ภิกษุที่ดี 7. การเป็นอยู่อย่างบรรพชิต 8. ผู้เป็นเชื้อสายแห่งพระอรียเจ้า 9. ผู้อยู่ด้วยเครื่องอยู่แบบพระอรียเจ้า 10. ผู้ระลึกถึงที่ที่ควรระลึกตลอดชีวิต 11. ผู้สอบทานตัวเอง 12. ธรรมทายาต1ิ 13. ชั้นอาหารวันละหนเดียว 14. หลังอาหารแล้วภาวนา 15. ผู้ขึงสายพินพอเหมาะ 16. ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง 17. ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง 18. ทางรอดสำหรับภิกษุไข้ 19. ผู้อยู่ใกล้นิพพานย0สิ 20. ผู้จักทํานิพพานให้แจ้งยี่สิบอ็ผู้เป็นอยู่ถูกพระพุทธอธยาศสย22จุดประสงค์ของพรหมจรรย์ 23. สเครื่องประดับของพรหมจรรย์ 24. ผลของพรหมจรรย์ที่แยบคายยี่สห้าโพธิปักคียธรรมยี่สห สติประธานที่เอียงไปนิพพาน 27. สิมมติประธานที่เอียงไปนิพพาน 28. อิทิบาทที่เอียงไปนิพพาน29่ิบเก้าอินซีที่เอียงไปนิพพาน30มพละที่เอียงไปนิพพานสามสิบเอ็ดชงที่เอียงไปนิพพาน 32. องอัตถังที่กระมักที่เอียงไปนิพพานสาเชิงรองของจิต 34. อริยสัมมาสมาธิ 35. โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันสามหมูซึ่งอยู่เป็นภาสุข 37. ผู้มีธรรมเครื่องอยู่ภาสุข 38. ิภิกษุเก่าคอยช่วยภิกษุใหม่ 39. การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบหนึ่ง 40. การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบสอง 41การเป็นอยู่ที่มีเสื่อมแบบสามสีการเป็นอยู่ที่มีเสื่อมแบบสี่สีการเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบห้บบา คุ้มทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่ส2องว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบกอเกี่ยวกับลาบสักการะหกเรื่องผู้รู้เท่าทันลาบสักการะภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงยืนยอ่อเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลาย สมณพราหม์พวกใดรู้จักความเป็นสิ่งยวนใจรู้จักโทษอันตำสามรู้จักอุบายเป็นทางพ้นในกรณีอันเกี่ยวกับลาบสักกะและเสียงเยืนยอตรงตามที่เป็นจริงสมณพราหม์พวกนั้นย่อมกระทำไห้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วและอยู่ในธรรมอันสงบได้ภิสษุทั้งหลายสมณพราหมูพวกใดรู้จักมูลฐานเป็นที่ตั้งขึ้นรู้จักความดับไม่เหลือ รู้จากความเป็นสิ่งยวนใจรู้จากโทษอันต่ำซามรู้จากอุบายเป็นทางพ้นในกรณีอันเกี่ยวกับลาบสักระและเสียงเยินยอตรงตามที่เป็นจริงสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วและอยู่ในธรรมอันสงบได้ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกใดรู้จากลาบสักระและเสียงเยินยอ รู้จากมูลฐานเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งลาบสักระและเสียงยืนยอรู้จักความดับสนิทแห่งลาบสักระและเสียงยืนยอรู้จากข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทแห่งลาบสักระและเสียงยืนยอสมณพราหมูพวกนั้นย่อมกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วและอยู่ในธรรมอันสงบได้ รู้จากอันตรายของทิฏธรรมสุพิษุทั้งหลายลาบสักระและเสียงยืนยอ่อเป็นอันตรายที่ทารุณแสเผ็ดหยากคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมกเกษมจากโยคะไม่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวลาบสักระและเสียงยืนยอ่อว่าเป็นอันตรายแม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันตสิ้นอาสวะแล้วดังนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ด, ดังนี้ ท่านพระอา น, นุ์ได้ทูลถามขึ้นว่าลาบสักการะและเสียงยืนยอเป็นอันตรายแก่พิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วชินุไกรเล่าพระเจ้าข่าดังนี้อา น, นุ์เราหาเรียกล่าวลาบสักการะและเสียงยืนยอว่าเป็นอันตรายต่อเจโตวิมุตย์อันไม่กลับกําเริบแล้วไม่อา น, นุ์แต่เรากล่าวลาบสักการะและเสียงยืนยอว่าเป็นอันตรายต่อการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนี้ ซึ่งภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาณมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในธรรมเครื่องสงบได้ลุกถึงแล้วอานนท์ลาบสักระและเสียงยืนยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสเผ็ดอยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้อานนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่า เราทั้งหลายจากไม่เยื่อใหญ่ในลาบสักระและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสักระและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราดังนี้อานอนท์พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล ควรปลีกตัวออกจากหมู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยทำห้าอย่างแล้วสมควรที่จะให้ปลีกตัวออกจากหมู่สงได้ทำห้าอย่างอะไรบ้างเล่า5้าอย่างคือพิกษุนในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้สันโด ด, ด้วยจีวอนตา ม, มีตามได้ 2. เป็นผู้สันโด ด, ด้วยบินทบาตตา ม, มีตามได้ส เป็นผู้สันโดษด้วยเสยนาสะนะตามมีตามได้ 4. เป็นผู้สันโดษด้วยกีฬานปัจจัยเพศรบริเขารตามมีตามได้ 5. เป็นผู้มากด้วยความคิดในการออกจากกามภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยธรรมห้ายอย่างเหล่านี้แลสมควรที่จะให้เปลี่ยนตัวออกจากหมู่สงฆ์ได้ ผู้ที่น่าเคารพภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบ้วยธิ์ทำเจ็ดอย่างแล้วย่อมเป็นผู้ที่น่ารักน่าพอใจน่าเคารพน่าสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทำเจ็ดอย่างอะไรบ้างเล่าเจ็ดอย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ไม่ต้องการลาบ 2. เป็นผู้ไม่ต้องการสักการะ 3. เป็นผู้ไม่ต้องการทำตัวให้เด่น 4. เป็นผู้มีความละอายต่อการเป็นทาสกิเลส 5. เป็นผู้มีความกลัวต่อการเป็นทาสกิเลส 6. เป็นผู้มีความต้องการน้อย 7. เ, เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องตามครองธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยธรรมเจ็ดอย่างเหล่านี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ที่น่ารักน่าพอใจน่าเคารพน่าสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันแลผู้ที่น่ารักภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยธรรมแดอย่างแล้ว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 เป็นคนใจสะอาดเจ็ดไม่เป็นคนพูดมากแปไม่เป็นคนมักด่า ว, ว่าร้ายเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยธรรมแปดอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่น่ารักน่าพอใจน่าเคารพน่าสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันแล ภิกษุที่ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ดี 1. พึงทําตนให้อยู่เหนือลาบที่เกิดขึ้น 2. พึงทําตนให้อยู่เหนือความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้น 3. พึงทําตนให้อยู่เหนือยศที่เกิดขึ้น 4. พึงทําตนให้อยู่เหนือความเสื่อมยศที่เกิดขึ้น 5. พึงทําตนให้อยู่เหนือสัการะที่เกิดขึ้น 6. พึงทำตนให้อยู่เหนือความเสื่อมศักกะระที่เกิดขึ้น 7. พึงทำตนให้อยู่เหนือความปรารถนาที่เลวทรามที่เกิดขึ้น 8. พึงทำตนให้อยู่เหนือความได้เพื่อนไม่ดีที่เกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรจึงต้องทำเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อภิกษุไม่ทำเช่นนั้นอสุวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องทำลายล้างและทำความเร่าร้อนจะพึงเกิดขึ้นแก่เธอ แต่เมื่อภิกษุทำตนให้อยู่เหนือลาบเป็นต้นที่เกิดขึ้นหรือมีมาแล้วอาสะวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องทำลายล้างและทำความเร่าร้อนย่อมไม่เกิดขึ้นแก่เธอได้ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์เหล่านี้แหลภิกษุจึงต้องทำเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพื่อสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะทำตนให้อยู่เหนือลาบเหนือความเสื่อมลาบ เหนือยศเหนือความเสื่อมยศเหนือสักการะเหนือความเสื่อมสักการะเหนือความปรารถนาที่เลวทรามเหนือความมีเพื่อนไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แหล เกี่ยวกับธรรมเนียมการเป็รอยู่ของพระอรียเจ้าห้าเรื่องการเป็นอยู่อย่างบรรปะชิตภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ผู้ทำการให้อุปสมบทเพิ่มบอกนิสัยสี่แก่ผู้อุปสมบทแล้วดังนี้ว่าการบรรพชาอาศัยการบริโภคคำข้าวที่หาได้ด้วยกำลังปรีแค้งเธอพึงทำความอุสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตลาบที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษก็พึงรับได้ คืออาหารที่ถวายสงฆ์อาหารที่เฉพาะสงฆ์การนิมนต์เพื่อฉันอาหารอาหารที่ถวายตามสลากอาหารที่ถวายในปักอาหารที่ถวายในวันอุโบสถและอาหารที่ถวายในวันขึ้นหรือแรมหนึ่งข้าการปันประชาอาศัยการนุ่งหม่มผ้าบางสกุลจีวรเธอพึงทำความอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตลาบที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้คือ ผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายผ้าไหม ผ, ผ้าขนสัตว์ผ้าป่านและผ้าแกมกันหลายอย่างการบรรพชาอาศัยขคนต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยเธอเพึองทำความอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต ลาบที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้คือวิหารเรือนมุงแถบเดียวเรือนชั้นเรือนโล้นและถ้ำการบรรพชาอาศัยยาอันประกอบขึ้นด้วยมูดเน่าเธอพึงทำความอุสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิตลาบที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษที่พึงรับได้คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึง่งและน้ำอ้อยดังนี้ ผู้เป็นเชื้อสายแห่งพระอรียเจ้าภิกษุทั้งหลายอริยวงทำที่เป็นเชื้อสายของพระอรียเจ้าสี่อย่างเหล่านี้ปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิศยั่งยืนเป็นแบบแผนมาแต่ก่อนไม่ถูกทอดทิ้งแล้ว ไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยไม่ถูกทอดทิ้งอยู่จากไม่ถูกทอดทิ้งเป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่คัดค้านแล้วอริยวงสี่อย่างอะไรบ้างเล่าสี่อย่างคือหนึ่งิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยจีวรตามีตามได้และเป็นผู้สันเสริญความสันโดษ ด, ด้วยจีวรตามีตามได้ไม่ทำอเนจนาการสแสวงหาไม่สำควร เพราะจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่ทุรนทุ ร, รายได้จีวรแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกพัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัตรมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอนุ่งข่มจีวร น, นั้นอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษได้จีวรตามมีตามได้นั้นก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่น ในความสันโดษด้วยจีวรตามีตามได้นั้นเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้สถิตยอยู่ในอริยวงอันปรากฏว่าเป็นธรรมอันเลิศมาแต่เก่าก่อน 2. อ, อีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยบินทบาทตามีตามได้และเป็นผู้สันเริญความสันโดษด้วยบินทบาทตามีตามได้ไม่ทำอเนสนาการแสวงหาไม่สมควรเพราะบิณทบาตเป็นเหตุ ไม่ได้บินทบากก็ไม่ทุรนทุรายได้บินธบากแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกผัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัตรมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอบริโภคบินทบาทนั้นอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษ ด, ด้วยมิตรบาตตามมีตามได้นั้นก็ภิกษุใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียดคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่น ในความสันโดษด้วยมินทบาทตามมีตามได้นั้นเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้สถิตยอยู่ในอริยวงอันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อนสามอีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสะนะตามมีตามได้และเป็นผู้สันเสริญความสันโดษด้วยเสนาสะนะตามมีตามได้ไม่ทำอเนสนาการแสวงหาไม่สมควรเพราะเสนาสะนะเป็นเหตุ ไม่ได้เสนาสนะก็ไม่ทุรนทุรายได้เสนาสนะแล้วก็ไม่ยินดีเมาหมกพัวพันเห็นส่วนที่เป็นโทษแห่งสังสารวัตรมีปัญญาในอุบายที่จะถอนตัวออกอยู่เสมอใช้สอยเสยนาสนนั้นอันหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษ ด, ด้วยเสยนาสนะตามมีตามได้นั้นข้อภิกษุใดเป็นผู้ฉลาดไม่กีดคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่น ในความสันโดษด้วยไสนาสนะตามตีาตามได้นั้นเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้สถิตอยู่ในอริยวงอันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อน 4. อีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีใจยินดีในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญ ย, ยินดีแล้วในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเป็นผู้มีใจยินดีในการละสิ่งที่ควรละยินดีแล้วในการละสิ่งที่ควรละ นหนึ่งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะเหตุดังกล่าวนั้นข้อภิกษุใดเป็นผู้ฉลาดไม่เกียกคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญและการละสิ่งที่ควรละนั้นเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้สถิตอยู่ในอริยวงอันปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศมาแต่เก่าก่อนภิกษุทั้งหลายอริยวงสีอย่างเหล่านี้แล ปรากฏว่าเป็นธรรมเลิศย่งยืนเป็นแบบแผนมาแต่เก่าก่อนไม่ถูกท้อทิ้งแล้วไม่เคยถูกท้อทิ้งเลยไม่ถูกท้อทิ้งอยู่จากไม่ถูกท้อทิ้งเป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่คัดคานแล้วภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยวงสี่อย่างเหล่านี้แม่หาวอยู่ในทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ เธอย่อมย่ำยีความไม่ยินดีเสียได้ข้างเดียวความไม่ยินดีหาย่ำยีเธอได้ไม่ที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุว่าภิกษุผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้ย่ำยีเสียได้ทั้งความไม่ยินดีและความยินดีดังนี้ อยู่ด้วยเครื่องอยู่แบบพระอารียเจ้าภิกษุทั้งหลายการอยู่แบบพระอารียเจ้าซึ่งพระอรียเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกําลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจกอยู่ต่อไปก็ดีมีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้สิบประการอะไรบ้างเล่าสิบประการคือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้ละองห้าได้ขาดประกอบพร้อมด้วยองคหกมีอารคขาอย่างเดียว มีพนักพิงสีด้านเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วเป็นผู้ละการสแสวงหาสิ้นเชิงแล้วเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุนมัวเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีภิษุทั้งหลายหนึ่งิุเป็นผู้ละองห้าได้ขาดเป็นอย่างไรเล่าภิสุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามันทะละพยาบาทละถีนมิทะละอุทจักกุกุจจกและละวิจิกิจชาได้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ละองห้าได้ขาดภิกษุทั้งหลาย 2. ภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองคหกเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโผฏฐะด้วยกายและได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หกิกษุทั้งหลายสภิกษุเป็นผู้มีอารคขาอย่างเดียวเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษ well, ุในธรรมว wow ินัยนี้ประก sure อบการรักษาจิตด้วยสติภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่ามีอรคขาอย่างเดียวภิกษุทั้งหลายสภิกษุเป็นผู้มีพนักพิงสีด้านเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่ง พิจารณาแล้วบรรเทาของสิ่งหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีพนักพิงสีด้านภิกษุทั้งหลายห้าภิกษุเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถอนสละคายปล่อยละทิ้งเสียแล้วซึ่งความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางมากอย่าง ของเหล่าสมณพราหมากผู้ด้วยกันที่มีความเห็นว่าโลกที่อย่างบ้างโลกไม่ที่อย่างบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีวะก็กอันนั้นเซริระก็อันนั้นบ้างชีวะก็อันเอื่นเซริระก็อันเอื่นบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมไม่มีอีกบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีเอกก็มี ไม่มีเอี่ยวก็มีบ้างตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีเอี่ยวก็หาไม่ได้ไม่มีเอี่ยวก็หาไม่ได้บ้างภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางปัจเจกัสัจจะขึ้นเสียแล้วภิกษุทั้งหลายหภิกษุเป็นผู้ละการสแสวงหาสิ้นเชิงแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิษุทั้งหลายภิษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ละการแสวงหากามแล้วเป็นผู้ละการแสวงหาพบแล้วและการแสวงหาพรหมจรรย์ของเธอนั้นก็ระ ง, งับไปแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ละการแสวงหาสิ้นเชิงแล้วภิกษุทั้งหลาย 7. ภิกษุเป็นผู้มีความดำริไม่ขุนมัวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความดำริในทางการเสียแล้ว เป็นผู้ละความดำริในทางพยาบาทเสร็จแล้วและเป็นผู้ละความดำริในทางเบียดเบียนเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความดำริเมฆคนมัวภิกษุทั้งหลาย 8. ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิษุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้ และเพราะความดับหายไปแห่งสมนัตและโทมนัตในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์และสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะโอเบกขาแล่แลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายสังขารอันสงบระงับแล้วภิกษุทั้งหลาย 9. ภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากราคะจากโทสะจากโมหะภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีภิกษุทั้งหลายสิภิกษุเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าเราละราคะโทสะโมหะเสียแล้ว ถอนขึ้นได้กระทั่งรากทําให้เหมือนตายอดเนา่าไม่ให้มีไม่ให้เกิดได้อีกต่อไปดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอดีตพระอรียเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เป็นอยู่แล้วอย่างพระอารียเจ้าพระอรียเจ้าทั้งหมดเหล่านั้น ก็ได้เป็นอยู่แล้วในการอยู่อย่างพระอริยเจ้าสิประการนี้เหมือนกันภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็จะเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอริยเจ้าสิประการนี้เหมือนกันภิกษุทั้งหลายในการบัดนี้พระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งกาลังเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้า พระอรียเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็กำลังเป็นอยู่ในการอยู่อย่างพระอเรียเจ้าสิบประการนี้เหมือนกันภิกษุทั้งหลายการอยู่แบบพระอรียเจ้าซึ่งพระอเรียเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจกอยู่ต่อไปก็ดีมีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้แหล ระลึกถึงสถานที่ที่ควรระลึกตลอดชีวิตภิกษุทั้งหลายสถานที่สามแห่งเป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาผู้เป็นกษัตริย์มรรทาพิเศกแล้วสามแห่งที่ไหนบ้างเล่าสามแห่งคือพระราชาผู้เป็นกษัตริย์มรรทาพิเศษประสูติณตมบลใดตมบล น, นี้เป็นที่ระ ล, ลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองค์นั้นเป็นแห่งที่หนึ่ง พระราชาได้เป็นกษัตริย์มูรธาพิเศษแล้วณนะตำบลใดตำบนนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองค์นั้นเป็นแห่งที่สองพระราชาผู้เป็นกษัตริย์มูรธาพิเศษทรงผจญสงครามได้ชัยชนะแล้วเข้ายึดครองสนามรบนั้นไว้ได้ณตำบลใดตำบนำบนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองค์นั้นเป็นแห่งที่สามภิกษุทั้งหลายชันใดก็ฉันนั้น สถานที่สามแห่งเป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของภิกษุเหมือนกันสามแห่งที่ไหนบ้างเล่าสามแห่งคือภิกษุปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมนำฝาดออกบัวจากเรือนเป็นผู้มีเกี่ยวข้องด้วยเรือนณนะสถานที่ใดสถานที่นี้เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้นเป็นแห่งที่หนึ่งภิกษุย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ เหตุที่เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ณนะสถานที่ใดสถานที่นี้ก็เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้นเป็นแห่งที่สองภิกษุกระทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอนหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเอ ง, เองในทิฏฐธรรม เข้าถึงแล้วแลอยู่ในสถานที่ใดสถานที่นี้ก็เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้นเป็นแห่งที่สามภิกษุทั้งหลายสถานที่สามแห่งเหล่านี้เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุแล สอบทานตัวเองภิกษุทั้งหลายข้อสอบทานสิบอย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจารณาหนึ่งเนืองสิบอย่างอะไรบ้างเล่าสิบอย่างคือ 1. น, นักบวชควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากครหัตแล้วอาการกริยาใดๆของสมณนะเราต้องทําอาการกริยานั้นๆ 2. น, นักบวชควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่า ความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย 3. นักบวชควรพิจารณานเนืองเนืองว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่า น, นี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ 4. นักบวชควรพิจารณานเนืองเนืองว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ 5. นักบวชควรพิจารณานเนืองเนืองว่า ผู้รู้ใครครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ 6. นักบวชคนรพิจารณาหนึ่งๆว่าเราจะต้องพระพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น 7. นักบวชคนพิจารณาหนึ่งๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตาม เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 8. นักบวชคนพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ 9. นักบวชคนพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดียิ่งในเรือนว่างหรือไม่ 10. นักบวชคนพิจารณาเนืองๆว่าปัญญาเครื่องรู้เห็นพิเศษที่สามารถจะทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่ามนุษยธรรม ที่เราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ซึ่งจะให้เราเป็นผู้เมอร์กเขินในเวลาที่ถูกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการถามในการภายหลังภิกษุทั้งหลายข้อสอบทานสิบอย่างเหล่านี้แหล่เป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจารณาหนึ่งเดือง เกี่ยวกับการทำให้ตรงตามพระพุทธประสงค์สิบเรื่องธรรมทายาตภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาตเครารพมรดกธรรมของเราเถิดอย่าเป็นอมิสธายาตเครารพมรดกสิ่งของเลยความที่ควรจะเป็นห่วงของเราในพวกเธอทั้งหลายมีอยู่ว่าทำอย่างไรเสียสาวกทั้งหลายของเราก็คงจะเป็นธรรมทายาตไม่เป็นอมิสธายาตดังนี้ ภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอเป็นอมิสทายาตไม่เป็นธรรมทายาทของเราแล้วพวกเธอทั้งหลายก็จะถูกเขาตราหน้าว่าสาวกทั้งหลายของพระาศาสดาเป็นอมิสทายาตอยู่โดยปกติหาได้เป็นธรรมทายาทไม่เลยดังนี้แม้เราเองก็จะถูกเขายกโทษว่าสาวกทั้งหลายของพระาศาสดาล้วนแต่เป็นอมิสทายาตกันเป็นปกติหาได้เป็นธรรมทายาทไม่เลย ดังนี้ทิกสุทั้งหลายถ้าพวกเธอพากันเป็นธรรมาทายาทของเราและไม่เป็นอเมศทายาทแล้วไซพวกเธอทั้งหลายก็จะได้รับการยกย่องว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาล้วนแต่เป็นธรรมทายากันอยู่โดยปกติหาได้เป็นอเมศทายาทไม่ดังนี้แม้เราเองก็จะได้รับการยกย่องว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาล้วนแต่พากันเป็นธรรมทายาทั้งนั้น ได้เป็นอมิสทายาตไม่เลยดังนี้ด้วยเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงพากันเป็นธรรมทายาตของเราเถิดอย่าได้เป็นอมิสทายาตเลยความที่ควรจะเป็นห่วงของเราในพวกเธอทั้งหลายมีอยู่ว่าทำอย่างไรเสียสาวกทั้งหลายของเราพึงเป็นธรรมทายาตเถิดอย่าได้เป็นอมิสตายาตเลยดังนี้ ฉันอาหารวันละหนเดียวภิกษุทั้งหลายเราย่อมฉันโพชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวเคยฉันหนเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกในวันนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อเราฉันโพชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวอยู่ย่อมรู้สึกความเป็นผู้มีอาภาษน้อยมีทุกน้อยมีความเบากายกระปรีกก้กระเปร่ามีกาลังและมีความผาสุกด้วยภิกษุทั้งหลายมาเถิด แม้พวกเธอทั้งหลายก็จงฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวพิสุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเมื่อฉันโภชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวอยู่จกรู้สึกความเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีทุกน้อยมีความเบากายกระปรีกก้กระเป่ามีกาลังและมีความผาสุกด้วย แล้วภาวนาสารีบุตรคำของเธอทั้งหลายเป็นสุภาษิตได้โดยปริยายเธอทั้งหลายจงฟังคำของเราบ้างสารีบุตรภิกสุในธรรมวินัยนี้เวลาหลังอาหารกลับจากปิณฑบาตแล้วนั่งคู่บันลังขัสสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหวังอยู่ว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะยังไม่สิ้นอุปาทานเพียงใด เราจะไม่เลิกถอนการนั่งคู่บันลังนี้เพียงนั้นดังนี้สารีบุตรปาโคสิงคาสารวันพึงงามสงา่าเพราะมีภิกษุประเภทนี้เข้าอาศัยอยู่แล ขึงสายพินพอมาะดูก่อนโสนะเมื่อเธอเข้าไปสู่ที่ลับหลีกเรนอยู่แต่ผู้เดียวความคิดเด็กเกิดขึ้นแต่เธอว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่าใดซึ่งปรารกความเพียรอยู่เราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาสาวกเหล่านั้นถึงอย่างนั้นจิต ข, ของเราก็ยังหาผลจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้ไม่อันที่จริงโภคคในสกุลของเราก็ยังมีอยู่มาก เราอาจจะใช้สอยโภคะและบำเพ็ญบุญได้อยู่ถ้ากรณนั้นเราควรสึกไปใช้สอยโภคะและบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้ไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นจริงพระเจ้าค้าพระโสนโทลตอบดูก่อนโสนะเธอมีความคิดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเมื่อก่อนแต่ครั้งเธอยังเป็นครหัดเธอเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงแห่งสายพินไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่า ดูก่อนโสนะเธอจะสําคัญข้อนี้เป็นไนเมื่อใดซ้ายพินของเธอขึงตึงเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้หรือไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนโสนะเธอจะสําคัญข้อนี้เป็นไนเมื่อใดซ้ายพินของเธอขึงหย่อนเกินไปเมื่อนั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้หรือ ไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนโสนะแต่ว่าเมื่อใดสายพิยงของเธอไม่ตึงนักหรือไม่หย่อนนักขึงได้ระเบียบเสมอเสมอกันแต่พอดีเมื่อนั้นเพนยงของเธอย่อมมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือใช้การได้ดีไม่ใช่หรือเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนโสนะข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหลกล่าวคือความเพียรที่บุคคลปรารบจัดเกินไป ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียครานโสนะเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงตั้งความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอเสมอกันจงกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดพระเจ้าค้าข้าพระองค์จะปฏิบัติอย่างนั้นการต่อมาท่านพระโสนะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอเสมอเสมอกัน ไม่ยิ่งไม่ย่อนได้ทราบความที่อินเสั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอเสมอกันกําหนดหมายในข้อนั้นไว้แล้วก็ปลีกตัวออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาททำความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในแนวนั้นไม่นานนะักก็ได้ทำให้รู้แจ้งถึงที่สุดของพรมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่ต้องประสงค์ของเหล่ากุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีบ้านเรือน ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่ท่านได้รู้ว่าชาติของเราสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาได้ทาเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้ท่านพระโสณะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วในโลก มีธรรมเป็นที่พึ่งอาโนนก็สารีบุตรพาเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุติยานทัศนขันติดตัวปรินิพานไปด้วยหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรจะได้พาเอาศีลขันและถึงวิมุติยานทัศนขันของพวกข้าพระองค์ติดตัวปรินิพานไปด้วยก็หามิได้แต่ว่า สำหรับพวกข้าพระองค์นั้นท่านพระสารีบุตรเป็นผู้กล่าวสอนชี้แจงให้รู้ให้เห็นชี้ชวนให้รับเอาไปปฏิบัติให้กล้าในการทำให้พอใจในการทำเป็นผู้ไม่เหน็ดเหนื่อยในการแสดงธรรมเป็นผู้อนุเคราะห์กัเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายพวกข้าพระองค์ทั้งหลายยองตามระลึกโอชาอันเกิดแต่ธรรมโพคาอันเป็นธรรมและการอนุเคราะห์ด้วยธรรม ของท่านพระสารีบุตรนั้นได้อยู่พระเจ้าค่ะท่านพระอานน์กราบทูลอานน์เราเรีกล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลาดพลากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานน์ข้อนั้นจากได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นอย่าชำระไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นเหลืออยู่ส่วนใดเก่าคร่ำกว่าส่วนอื่นส่วนนั้นพึงย่อยยับไปก่อนข้อนี้ฉันใดอานนท์เมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีทำเป็นแกนสารเหลืออยู่สารีบุตรปรินิพานไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันอานนท์ ข้อนั้นจากได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสระณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสระณะเลยจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะ อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยอานนท์พิสุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งเอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิสุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายหนึ่งเนืองอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายหนึ่งเนืองอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตหนึ่งเนืองอยู่ จารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆอยู่มีเพียนเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติจะพึงกําจัดอภิชาและทมนัตในโลกเสียได้อานนท์ภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสาระไม่เอาสิ่งเอื่นเป็นสารนะเป็นอยู่อานนท์ในการบัดเนี้ก็ดี ในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอยู่อานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใครในเสือขาพิกษุพวกนั้นจกเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลอที่สุดแล ประมาทในความตายแท้จริงภิกษุทั้งหลายมรณสติความระลึกถึงความตายอนบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดพวกเธอเจริญมรณสติอยู่บ้างหรือเมื่อรับสั่งดังนั้นแล้วภิกษุรูปหนึ่งทูลขึ้นว่าแม่ข่าพระองค์ก็เจริญมรณะสติอยู่พระเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเธอเจริญมรณสติอย่างไรเล่าภิกษุภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณะสตินี้ข้าพระองค์มีความคำนึงอย่างนี้ว่าโอหนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แลพระเจ้าข่าอีกรูปหนึ่งทูลว่าถึงข้าพระองค์ก็เจริรมรณสติอยู่พระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอเจริรมรณสติอย่างไรเล่าภิกษุภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจรยิยมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคํานึ่งอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงช่วเวลากลางวัน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 ถึงข่าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอเจริญมรณสติอย่างไรเล่าภิกษุภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคำนึงอย่างนี้ว่าโอหนาเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงสถึงห้าคำเราพึงใส่ใจถึงคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเธด การปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริยนมรณสติแม้อย่างนี้แหลพระเจ้าค่าอีกรูปหนึ่งทูลว่าถึงข้าพระองค์ก็เจริยมมรณสติอยู่พระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอเจริยนมรณสติอย่างไรเล่าภิกษุภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการเจริญ ม, มรณสตินี้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 พระผู้มีพระภาคเจ้าเธอจเจริญมรณสติอย่างไรเล่าภิกษุภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญในการจเจริญมรณสตินี้ข้าพระองค์มีความคำนึงอย่างนี้ว่าโอหนเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงช่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือช่วหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคาสอน ควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริญมรณะสติแม้อย่างนี้แหลพระเจ้าค่ะเมื่อสิ้นคำทูลทั้งหมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกที่เจริญมรณะสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งดังนี้ก็ดีเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วเวลากลางวันดังนี้ก็ดี เราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงช่วขณะที่ฉันปินธบาเสร็จมือหนึ่งดังนี้ก็ดีเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงช่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงสี่ถึงห้าคเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีภิษุเหล่านี้เราเรียกว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่ยังเจริญมรณะสติเพื่อความสิ้นอาสวะช้าไป ภิกษุทั้งหลายฝ่ายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋นอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงคําเดียวดังนี้ก็ดีว่าโอ๋นอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือชั่วหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจถึงคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด การปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีพิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้เจริญ ม, มรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงพิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่จากเจริญ ม, มรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แหลทางรอดสำหรับภิกษุไข่ภิกษุทั้งหลายภิกษุไข่ผู้มีกำลังน้อยรูปใดไม่ละจากธรรมห้าอย่าง เธอเพึงหวังผลอันนี้ได้เคอเธอจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเลยทำห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือหนึ่งเป็นผู้พิจารณาเห็งความไม่งามในกายอยู่เป็นประจำสอง เป็นผู้มีการกำหนดหมายความปฏิกูลในอาหารอยู่เป็นประจำสา 3. เป็นผ yeah. yeah. ู้มีการกำหนดหมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นประจำสีเป็นผู้มีการกำหนดหมายความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจำห้าและการกำหนดหมายในความตายเป็นสิ่งที่เธอทำให้เข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในภายในภิกษุทั้งหลายภิกษุไข่ผู้มีกาลังน้อยรูปใด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 เราจะกาจัดเวทนาเก่าเคยหิวเสร็จแล้วไม่ทำเวทนาใหม่เคยอิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่พาสุขสำราญจะมีแก่เราดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโพชนะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิดเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยามค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีย่อมสําเร็จการนอนอย่างราชสีเพอตะแค ง, งข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีกลับลุกขึ้นแล้ว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 จากทำนิพานให้แจ้งภิกษุทั้งหลายภิกษุที่พอใจในความคลุกเคลียกันเป็นหมู่หมู่ยินดีในความคลุกคลียกันเป็นหมู่หมู่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลียกันเป็นหมู่หมู่เป็นผู้พอใจในหมู่ยินดีในหมู่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจักมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้ เมื่อไม่เป็นผู้โดดเดียวยินดียิ่งในความสงดเงียบแล้วจากถือเอานิมิตของสมาธิจิตและของวิปัสนาจิตได้นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ได้ถือเอานิมิตของสมาธิจิตและของวิปัสนาจิตแล้วจากยังสัมมาทิฐิแห่งวิปัสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทําสัมมาทิฐิแห่งวิปัสนาให้บริบูรณ์แล้ว จากยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทําสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจากละสัญโยทั้งหลายนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ละสัญโยทั้งหลายแล้วจากทรรมนิพพานที่แจ้งนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เลยภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผ <ination> ู้ที่ไม่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่เป็นผู้พอใจในหมู่ไม่ยินดีในหมู่ไม่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอเธอนั้นจากมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงดเงียบนั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ เมื่อเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจากเือเอานิมิตของสมาธิจิตและของวิปัสสนาจิตได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อเือเอานิมิตของสมาธิจิตและของวิปัสสนาจิตได้แล้วจากยังสัมมาทิฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทาสัมมาทิธิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ได้แล้ว จากยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์ได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทําสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์ได้แล้วจากละสัญโยทั้งหลายได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อละสัญโยทั้งหลายได้แล้วจากทํานิพพานให้แจ้งได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แล ผู้เป็นอยู่อย่างถูกพระพุทธอธิยาศัยภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้มั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้ภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้มีจิตมั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายจงปราบรบความเพียรให้เยี่ยงกว่าประมาณเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเราจะรอคอยพวกเธอทั้งหลายอยู่ณที่นครสาวัตถีนี้แหละจนกว่าจะถึงวันท้ายแห่งฤดูฝนครบสี่เดือนเป็นฤดูที่บานแห่งดอกโกมุตเพนเดือนสิบสองผู้ภิกษุผู้เป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวนี้ ก็พากันหลังไหลไปสู่นครสาวัตถีเพื่อเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพระเทระผู้มีชื่อเสียงคนรู้จักมากซึ่งมีท่านพระสารีบุตรพระมหาโมคลานะพระมหากัสปะพระมหากัจจายนะพระมหาโกธิตะพระมหากปินะพระมหาจุนทะพระเรวัตพระอานนท์และพระเทระรูปอื่นอีกหลายท่านแบ่งกันเป็นพวกพวก พากันสั่งสอนพร่ำชี้แจงพวกภิกษุใหม่ๆอย่างเต็มที่พวกละสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างส0สิบรูปบ้างสี่สิบรูปบ้างส่วนภิกษุใหม่ๆเหล่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งสอนได้รับคำพร่ำชี้แจงของพระเทระผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายอยู่ก็ย่อมรู้คุณวิเศษอันกว้างขวางอย่างอื่นๆยิ่งกว่าแต่ก่อนเป็นดังนี้จนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือนสอง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 บริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะยากที่ชาวโลกจะได้เห็นหมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ควณจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยโยอดยอดถึงกับต้องเอาห่อเสบียงไปด้วยก็ตามหมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีผู้ภิกษุซึ่งเป็นพระอระหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทาได้ทําสําเร็จแล้วมีภาระปรงลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนเองบรรลุแล้วโดยลําดับมีสัญยชนในภพสิ้นแล้วหรือพ้นแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบพวกภิกษุแม้เห็นป่านี้ ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโญอดเบื้องตามหเป็นโอปปาติกะแล้วจะปรินิพานในที่นั้นไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกภิกษุแม้เห็นป่านี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญโญชดสาและมีความเบาบางไปของราคะโทสะ โมห oh ะเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะกระทำที่สุดแห่งทุกได้ผู้ภิกษุแม่เห็นป่า น, นี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีผู้ภิกษุซึ่งสิ้นสัญญตสาเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกตามเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ผู้แน่ที่จะตรัสรู้ข้างหน้า ผู้ภิกษุแม่เห็นป่านี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีผู้ภิกษุซึ่งประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องทำหนึ่งหนื่งในการอบรมสติปทานสสัมมาปทานสอิทิบาสอินรียห้าภละหโภชชงเจอริยมรรมีองค์8เมตตากรุณาโมทิตาอุเบคาอสุภะอนิจจสัญญา และอานาปานสติผู้ภิกษุแม่เห็นปานี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ขอเกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์14บสี่เรื่องจุดประสงค์ของพรหมจรรย์ ภิกษุทั้งหลายพระมรรจานี s <S ้ไม่ใช่ม <success> <IST> ีลาบสักระและเสียงสรรเสริญเป็นอนิสงส์พระมรรจานี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอนิสงส์พระมรรจานี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอนิสงส์พระมรรจานี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งญาณทัศนะเป็นอนิสงส์ภิกษุทั้งหลายก็เจโตวิมุตติเมฆกำเริบอันใดมีอยู่ พรหมจรรย์ น, นี้มีเจโตวิมุตต์นั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายมีเจโตวิมุตต์นั่นแหละเป็นแก่นสารมีเจโตวิมุตต์นั่นแหละเป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์แลเครื่องประดับของพรหมจรรย์ ภิกษุทั้งหลายพระมรรจันท์ที่ประพฤกษกันอยู่นี้มีการทำตามสิกขาเป็นอนิสง์มีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแกลนสารมีสติเป็นอธิปไตยภิกษุทั้งหลายพระมรรจันท์มีการทำตามสิกขาเป็นอนิสง์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้สิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจารย์เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสเกิดความเลื่อมใส เพื่อให้คนที Kevin, <t> ่เลื <muff ins. S 1> ่อมใสแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นสิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจารย์เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสเกิดความเลื่อมใสเพื่อให้คนที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นในลักษณะอย่างใดใดสาวกนั้นก็เป็นผู้ทําตามศิกขานั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอันหนึ่ง ศึกษาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบด้วยประการทั้งปวงศึกษาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลา ย, เ, า ย, ลาลายเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบด้วยประการทั้งปวงในลักษณะอย่างใดอย่างใดสาวกนั้นก็เป็นผู้ทําตามศึกขานั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศึก ข, ขาบททั้งหลาย ในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายพระมารย์มีเสียขาเป็นอนิสงเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายพระมรรจามีปัญญาเป็นยอดเป็นอย่างไรเล่าภิกษุ LE, ท, ทั้งหลายในกรณีนี้ทมทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบด้วยประการทั้งปวงทมทั้งหลายเราแสดงแล้วแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบด้วยประการทั้งปวง ในลักษณะอย่างใดอย่างใดทำทั้งปวงนั้นสาวกของเราก็พิจารณาเห็นได้อย่างดีด้วยปัญญาในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายพระมย์มีปัญญาเป็นยอดเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายพระม迦์มีวิมุตติเป็นแกนสารเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ทำทั้งหลายเราแสดงแล้วแกสาวกทั้งหลาย เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบด้วยประการทั้งปวงทำทั้งหลายเราแสดงแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบด้วยประการทั้งปวงในลักษณะอย่างใดอย่างใดทนทั้งปวงนั้นสาวกของเราก็ถูกต้องได้แล้วด้วยความหลุดพ้นในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นภิษุทั้งหลายพระมจันมีวิมุตติเป็นแกนสารเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลาย พระมรรจามีสติเป็นอธิปไตยเป็นอย่างไรเล่าสติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่าเราจะทำศสกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจารย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ดังนี้บ้างเราจะประคับประคองศิกขาที่เนื่องด้วยอภิสมาจารย์ที่บริบูรณ์แล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะนั้นๆดังนี้บ้างสติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่า เราจะทำเสือขาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ดังนี้บ้างเราจะประคับประคองศสกขาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์แล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะ น, นั้นๆดังนี้บ้างสติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่าเราจะพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นธรรมที่ยังไม่เห็นในสถานะนั้นๆดังนี้บ้าง เราจะประคับประคองธรรมที่พิจารณาเห็นแล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะนั้นๆดังนี้บ้างสติอันสาวกของเราตั้งไว้ด้วยดีในภายในว่าเราจะถูกต้องธรรมที่ยังไม่ถูกต้องด้วยความหลุดพ้นดังนี้บ้างเราจะประคับประคองธรรมที่ได้ถูกต้องแล้วไว้ด้วยปัญญาในสถานะนั้นๆดังนี้บ้างดังนี้ภิกษุทั้งหลาย พระมจันมีสติเป็นอธิปไตยเป็นอย่างนี้แหลภิิษุทั้งหลายที่เรากล่าวว่าพระมจันที่ประพฤกษกันอยู่นี้มีสึกขาเป็นอนิสงส์มีปัญญาเป็นยอดมีวิมุตติเป็นแก่นสารมีสติเป็นอธิปไตยดังนี้นั้นเรากล่าวหมายเอาอธิบายที่ว่ามานี้แหล ผลของพรมจัร์ที่แยบคายผู้มิชะสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องมีความมุ่งหมายถูกต้องมีคำพูดถูกต้องมีการทำงานถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตถูกต้องมีความพยายามถูกต้องมีความระลึกถูกต้องมีความตั้งจิตมั่นไว้อย่างถูกต้องสมณะหรือพรามเหล่านั้นถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังผล ก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤทธพระมจร์โดยไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้พระพฤทพรมจร์ทั้งโดยหวังผลและไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤทธพรมจร์โดยหวังผลก็ม่ใช่ไม่หวังผลก็ม่ใช่ก็ยังต้องได้รับผลเพราะนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ทาไว้อย่างลึกซึ้งแยบคายผู้มิชะ เช่นเดียวกับบุรุษผู้ต้องการน้ำมันเศาะหาน้ำมันเที่ยวแสวงหาน้ำมันอยู่เขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงา Article. ลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคันเรื่อยไปแม้บุรุษนั้นทำความหวังทำความไม่หวังทั้งทำความหวังและความไม่หวังทั้งทำความหวังก็หาไม่ได้ความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตามเมื่อเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคันอยู่เรื่อยไป บุรุษนั้นก็ต้องได้น้ำมันอยู่เองข้อนี้เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุแห่งการได้น้ามันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายฉันใดก็ฉันนั้นทรงให้อุปมาโดยทำนองนี้อีกสามข้อคือบุรุษผู้ต้องการน้ำนมรีดน้ำนมจากแม่โคลูกอ่อนบุรุษผู้ต้องการเนยปั่นเนยจากนมที่หมักเป็นเยื่อแล้วบุรุษผู้ต้องการไฟ สีไฟจากไม้แห้งก็ย่อมได้ผลตามที่ตนต้องการแม้จะทำความหวังหรือความไม่หวังก็ตามผลนั้นๆก็ย่อมมีให้เองเพราะได้มีการทำที่ถูกต้องลงไปแล้ว ที่ปากคียธรรมภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นพวกเธอทั้งหลายพึงรับเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วถึงพึงอบรมประทําให้มากโดยอาการที่พรหมจรรย์ น, นี้จกตั้งมั่นดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลก และเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิสุทั้งหลายทาเหล่าไหนเล่าที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทาเหล่านั้นได้แก่สติประธานสสัมมประธานสอิทธิบาสอิน 5, รี่ห้าภละหาโพชฌงเจ็อริยมรรมีองค์8ภิพิสุทั้งหลายทาเหล่านี้แลที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิง่ง เป็นสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายพึงรับเอาให้ดีพึงเสภให้ทั่วถึงพึงอบรมกระทำให้มากโดยอาการที่พรหมจรรย์ น, นี้จกมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพืือกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกและเพื่อประโยชน์เพืือกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สติปทานที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ําคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมสติปฐานสี่อยู่กระทําสติปฐานสีให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพานานพานลาไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอบรมสติปัฏฐานสี่กระทำสติปัฏฐานสี่ให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาบไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุ <Blind. S 1> <How> ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายใ น, นกายเนืองเนืองอยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่เป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่ เป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆ อ, อยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติเพึ่กํำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมสติปัฏฐานสี่อยู่กระทาสติปัฏฐานสี่ให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้รุ่มไปทางนิพพานล่าไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แหล ประธานที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุโอปรมสัมมประทานสี่อยู่กระทำสัมมประทานสี่ให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสูนิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอบรมสัมมาประธานสี่กระทำสัมมัประธานสี่ให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาบไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังฉันทะให้เกิดย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อการไม่เกิดขึ้นแห่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่ยังไม่เกิด เพื่อละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อการเกิดขึ้นแห่งกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดและเพื่อความตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนเพื่อความงอกงามไพยบู์เจริญบริบู์แห่งสิ่งอันเป็นกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมสัมมาประธานสีอยู่กระทามสัมมประธานสีให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่งไปทางนิพพานลาไปทางนิพพาน เทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แหละอิธิบาที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายลาแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออก เทไปสู่ทิ่ตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอิทธิบาสีอยู่กระทำอิธิบาสีให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาบไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอิทธิบาสีกระทำอิทธิบาสีให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาบไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมอิทธิบาทประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิสัมปยุทธ์ด้วยฉันทะเป็นประธานกิจย่อมอบรมอิทธิบาทประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิสัมปยุทธ์ด้วยวิริยะอันมีสมาธิสัมปยุทธ์ด้วยจิตตะอันมีสมาธิสัมปยุทธ์ด้วยวิมังสาเป็นประธานกิจคือกิจเกี่ยวกับการป้องกันการละ การเจริญและการรักษาภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอิธิบาสีอยู่กระทำอิธิบาสีให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาบไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แหละ อิทีที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ําคงคาลุ่มไปทางที่ตะวันออกลาดไปทางที่ตะวันออกเทไปสู่ที่ตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอินทรีย์ห้าอยู่กระทำอินทรีย์ห้าให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอินทรีย์ห้า ประทำอินทรีย์ห้าให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานล่าไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาชนิทีอาศัยวิเวกอาศัยวิราะอาศัยนิโรดน้อมไปสู่ความปล่อยวางภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอบรมอินทรีย์ห้าอยู่กระทาอินทรีย์ห้าให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แหละพันละที่เอียงไปนิพพาน ภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกล่าไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม่ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพระละห้าอยู่ประทับพระละห้าให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานล่าไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพระละห้าประทับพระละห้าให้มากอยู่ ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานล่าไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัทธาภละวิริยะภละสติภละสมาธิภละและปัญญาภละชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปสู่ความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมภละห้าอยู่ กระทำภละให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาบไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แหลพผูชงที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลาย ลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพชชงเจดอยู่กระทำาโพธชงเจดให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู speeches. ้ลุ song. ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมพุทชงเจตกระทําโพชชงเจตให้มากอยู่ ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาบไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกสุทั้งหลายภิกสุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสติสัมโพชฌงย่อมอบรมธรรมวิจยาสัมโพชฌงย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌงย่อมอบรมปีติสัมโพชฌงย่อมอบรมปัสติสัมโพชฌงย่อมอบรมสมาธิสัมโพชฌงย่อมอบรมอุเบกขาสัมโพชฌง ฉันนที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปสู่ความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมโพชฌงเจตอยู่กระทาโพชฌงเจตให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานล่าไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แหล ทั้งชิกามัคที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ํำคงคาลุ่มไปทางที่ตะวันออกล่าไปทางที่ตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอริยะอัตถังที่กามัคอยู่กระทําอริยะอัตถังที่กามัคให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานล่าไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอบรมอริยะอาถังที่กรรมักกระทําอริยะอาถังที่กรรมักให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิย่อมอบรมสัมมาสังกัปปะย่อมอบรมสัมมาวาจาย่อมอบรมสัมมากรรมมันตะย่อมอบรมสัมมาอาชีวะ ย่อมอบรมสัมมาวายามะย่อมอบรมสัมมาสติย่อมอบรมสัมมาสมาธิช น, นิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปสู่ความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอริยะอธรรมขิมมักอยู่กระทําอริยะอธรังคิมมักให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แหล เชิงรองของจิตภิกษุทั้งหลายหม้อที่ไม่มีเชิงรองรับย่อมกลิ้งได้ง่ายส่วนหม้อที่มีเชิงรองรับย่อมกลิ้งได้ยากภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นจิตที่ไม่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนไปได้ง่ายส่วนจิตที่มีเครื่องรองรับย่อมหมุนไปได้ยากภิกษุทั้งหลายเครื่องรองรับของจิตเป็นอย่างไรเล่าภิสษุทั้งหลาย อริยะอัฏฐานคิสมักนี้แหลได้แก่ความเข้าใจอันถูกต้องความมุ่งหมายอันถูกต้องการพูดจาอันถูกต้องการทํางานอันถูกต้องการเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องความพยายามอันถูกต้องความระลึกอันถูกต้องความปักใจมั่นคงอันถูกต้องอริยะอัฏฐานคิสมักนี้แหลเป็นเครื่องรองรับของจิต อริยสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่ประกอบด้วยมูลฐานและเครื่องปรุงพร้อมอย่างทั่วถึงแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังข้อนั้นภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่ประกอบด้วยมูลฐานและเครื่องปรุงพร้อมอย่างทั่วถึงเป็นอย่างไรเล่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนั้นได้แก่ความเข้าใจอันถูกต้อง ความมุ่งหมายอันถูกต้องการพูดจาอันถูกต้องการทำงานอันถูกต้องการเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องความพยายามอันถูกต้องความระลึกอันถูกต้องและความตั้งใจมั่นอันถูกต้องภิกษุทั้งหลายภาวะแห่งความเป็นหนึ่งของจิตแวดล้อมแล้วด้วยองค์ทั้งเจ็ดเหล่านี้แลเราเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่ประกอบด้วยมูลฐานและเครื่องปรุงพร้อมอย่างทั่วถึง จะไม่ว่างจากพระอรหันตุพัทธะในธรรมวินัยที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์8ย่อมไม่มีสมณะที่หนึ่งโสดาบันที่สองสกทาคามีที่สามอนาคามีที่สี่อรหันตุพัทธะในธรรมวินัยนี้แหลมีอริยมรรคมีองค์8ดจึงมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สสุพัทธะถ้าพิสุทั้งหลายเหล่านี้ เึงอยู่โดยชอบไซ้โลกก็จะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายแล่อเกี่ยวกับระเบียบแห่งการอยู่กันเป็นหมู่แปดเรื่องหมู่ซึ่งอยู่เป็นผาสุ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขท่านพระอานนทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอานนเมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวคมผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งของตนอานนภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นภาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสง์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุอานนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวขมผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่ยงประการหนึ่งและยังเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่หมัวเพ่งดูคนอื่นอีกประการหนึ่งอานนท์ภิกษุสง์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นภาสุ ้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอานอนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วไม่กล่าวขมผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นและยังเป็นผู้ไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กรวกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นอีกประการหนึ่ง อาน o n พิษุสง์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นภาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ภิกษุสง์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นภาสุขอานอน n มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วเมื่อกล่าวขมผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่น เป็นผู้ยังไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่กรวนกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นและยังเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันเป็นธรรมเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอีกประการหนึ่งอานน์ภิกษุสง์อยู่ด้วยอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอื่นยังมีอีกหรือไม่ ภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอ น, อนนนท์มีอยู่เมื่อภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองแล้วเมื่อกล่าวข่มผู้อื่นด้วยศีลอันยิ่งเป็นผู้คอยจ้องดูตนเองไม่มัวเพ่งดูคนอื่นเป็นผู้ยังไม่ปรากฏชื่อเสียงก็ไม่โกรธกระวายใจเพราะความไม่ปรากฏชื่อเสียงนั้นเป็นผู้ได้ตามต้องการได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานสี่ อันเป็นธรรมเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมและยังเป็นผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเอ ง, เองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลวอยู่อีกประการหนึ่งอานน์ภิกษุสงฆ์อยู่ไดอาการอย่างนี้จึงชื่อว่าอยู่เป็นผาสุขอานน์เรากล่าวว่า ทำเครื่องอยู่ผาสุกอื่นซึ่งสูงกว่าหรือประเนียกว่าทำเครื่องอยู่ผาสุกเือการทำให้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตตินี้หามีไม่เลยผู้มีทำเครื่องอยู่ผาสุก ภิกษุทั้งหลายทำเป็นเครื่องอยู่ผาสุขห้าอย่างเหล่านี้5้าอย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ 1. การทำซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ 2. การพูดซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้ว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 เธอเป็นอยู่อย่างผู้มีศีลเสมอกันด้วยศีลทั้งหลายเช่นนั้นในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับห้าความเห็นอันใดซึ่งเป็นความเห็นอันประเสริฐเป็นความเห็นที่ผลักดันไปในทางที่ถูกย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแครผู้ทําตามความเห็นนั้นเธอเป็นผู้อยู่อย่างผู้มีความเห็นเสมอกันด้วยความเห็นเช่นนั้นในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับภิกษุทั้งหลายทำเป็นเครื่องอยู่ผาสุขห้าอย่างเหล่านี้แหลภิกษุเก่าคอยช่วยภิกษุใหม่อานนน ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้บวชใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัย น, นี้ภิกษุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในธรรมห้าอย่างธรรมห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือหนึ่งภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่เฉพาะในปาตโมกสังวรด้วยอาการอย่างนี้ว่า มาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมขสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เป็นโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้ 2. ภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในอินสียสังวรด้วยอาการอย่างนี้ว่า มาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายมีสติคอยอารักขามีสติคอยปกป้องมีใจถูกคุ้มครองแล้วประกอบด้วยใจอันสติคอยอารักขาแล้วอยู่เถิดดังนี้สภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนเพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหยุดพูดพร่ำด้วยอาการอย่างนี้ว่า มาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พูดแต่น้อยคำจงทำการหยุดการพูดพร่ำเสียเถิดดังนี้สภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายเพ่งชักชวนเพ่งให้ตั้งมั่นเพ่งให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหลีกออกจากหมู่้วยกายด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมาทาการอยู่ป่า จงเสเฉพาะเสนาสนะอันเงียบสงดที่เป็นป่าและป่าชัดเถิดดังนี้ 5. ภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดํารงอยู่เฉพาะในความเห็นชอบด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นสัมมาทิฐิประกอบด้วยความเห็นชอบเถิดดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหม่บวชยังไม่นานเพื่อมาสู่ธรรมวินัยนี้ภิกษุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในทำห้าอย่างเหล่านี้แล การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบที่หนึ่งพิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักมันประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพออยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพิกษุทั้งหลายพิกษุทั้งหลายจะพร้อมเพรียงกันเข้าประชุมจะพร้อมเพียงกันเลิกประชุมจะพร้อมเพียงกันทากิดที่สงจะต้องทาอยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจากไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจากสมาทานศึกษาในศสิขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเครื่องครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจากสักการะเคารพ นับเถอบูชาภิกษุพวกที่เป็นเทระมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาสงเป็นผู้นำสงและตนจะต้องเข้าใจตัวว่าต้องเชื่อฟังท่าคำของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่รู้อนานาจแกตันหา ซึ่งเป็นตัวเหตุก่อให้เกิดพบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักมีใจจดจ่อในเสนาสนะป่าอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะเข้าไปตั้งสติไว้อย่างมั่นเหมาะว่า ทำชฉไหนหนาขอเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันซึ่งมีศีลเป็นที่รักยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเถิดดังนี้อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายทำอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจ็ดประการเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่ได้ในภิกษุทั้งหลายและพวกเธอก็ยังเห็นพ้องต้องกัน ในทาเจบประการเหล่านี้อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นการเป็นอยู่ท <một> ี <zij> ่ไ <loser> ม่เสื่อมแบบที่สองภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจกไม่เป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้างไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้างอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสริมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่เป็นผู้พอใจในการคุยไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการคุยอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่เป็นผู้พอใจในการนอนไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการนอนอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่เป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกเคลียกันไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกเคลียกันอยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาอันเลวทรามไม่รู้อำนาจแห่ความปรารถนาอันเลวทรามอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่เป็นผู้มีมิรชั่วสหายชั่วเพื่อนเกลอชั่วอยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอย e ู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่เป็นผู้หยุดเลิกเสียในระหว่างเนื่องจากได้บรรลุคุณวิเศษสักเล็กน้อยแล้วอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบที่สามิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้มีศรัทธาอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้มีหิริและถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้มีโอตปะภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะเป็นพหูสูตรพิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้ปรารบความเพียรภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้มีสติภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้มีปัญญาอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู Activ ่เพียงนั้น เป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบที่สภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักอบรมสติสัมโพชฌงอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงและถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักอบรมวิริยสัมโพชฌงภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจะอบรมปิติสัมโพชงภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะอบรมปรสัสสติสัมโพชงภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะอบรมสมาธิสัมโพชงภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะอบรมอุเบกขาสัมโพชงอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบที่หภิกษุทั้งหลายพิกษุทั้งหลายจกอบรมอนิจจสัญญายอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิสูุนทั้งหลายวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจกอบรมอนัตตสัญญาละถึงภิกษุทั้งหลายพิสูุทั้งหลายจะอบรมอสุภสัญญาภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจักอบรมอาทินวะสัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักอบรมปหานสัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักอบรมวิราคะสัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักอบรมนิโรธสัญญาอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลาย ทำอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจ็บประการเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่ได้ในภิกษุทั้งหลายและพวกเธอยังเห็นพ้องต้องกันในธรรมเจ็บประการเหล่านี้อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นมวดที่12จบ